เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่29สาถึงส0สิมสมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างยืดยาวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนื่องจากพุทธพจน์เกี่ยวกับสัมมาสมาธิในฐานะองค์สุดท้ายของมรรคนั้นมุ่งหมายถึงฌานสามาบัติโดยตรงทางฝ่ายนักศึกษาภาคทฤษฎีมักมีความเห็นเป็นสุดตรงสองขั้ว คือฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าสัมมาสมาธิเป็นแค่ความตั้งมั่นชั่วขณะเดียวที่เห็นกายใจชัดก็เพียงพอแก่การจุดชนวนมรรคผลได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิให้นิ่งนานแต่อย่างใดส่วนอีกฝ่ายก็กล่าวว่าสัมมาสมาธิต้องเป็นฌานสมาบัติตรงตามอักษรเท่าที่ปรากฏเท่านั้นทั้งฝ่ายปฏิบัติที่พื้นความรู้ภาคธษฎีไม่แน่นหนานัก ก็มักสำคัญระดับสมาธิของตนเองคลาดเคลื่อนบางคนพบภาวะเหมือนหยุดหายใจก็สำคัญว่าคือฌานสี่มีแต่สติบริสุทธิ์ประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาเป็นหนึ่งทั้งที่จริงอย่างหายใจแล้วก็เป็นภาวะจิตแช่แข็งชั่วขณะแบบครึ่งๆจะตกภาวังขาวไม่รับรู้ลมหายใจที่แผ่วอ่อนหรือแม้บางคนตกภาวังมืดคือเหมือนหลับยาวในความไม่รู้อะไรเลย ก็ยังสำคัญว่านั่นเป็นฌานสีก็มีผู้ภาวนาจนมีสติเห็นกายใจเป็นอัตโนมัติบ่อยๆยอ่อมเข้าใจดีว่าเรามีสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตไปเพื่อความสงบรางับจากอาการตรึกนึกทางกาาและความรู้สึกพยาบาทได้ง่ายรวมทั้งมีคุณภาพสติเห็นชัดเจนต่อเนื่องพอจะรู้ภาวะหนึ่งหนึ่งว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและดับลงเมื่อใด โดยไม่ต้องออกแรงบังคับหรือประคองจิตหาใช่มีสมาธิไปเพื่อหวังเสพปีติสุขและความเย็นกายเย็นใจลึกซึง้งหาใช่มีสมาธิไปเพื่อรู้สึกว่าข้าเหนือมนุษย์หาใช่มีสมาธิไปเพื่อก่อฤทธิ์ก่อเดชประการใดๆพูดให้ง่ายคือสมาธิจิตอันตั้งมั่นดีแล้วย่อมทำงานควบคู่ไปกับสติเป็นไปเพื่อความเพียรรู้เห็นกายใจไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนระดับสมาธิอันพอดีกับระดับมรรคผลนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้ชัดเจนในเสขสูตรกล่าวคือสำหรับเกณฑ์แห่งความเป็นโสดาบันบุคคลและสกะทาคามีบุคคลนั้นเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาส่วนอนาคามีบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาและพระอรหันตรบุคคลเท่านั้นที่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิและเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาและพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปว่าใครทำได้เพียงบางส่วนก็ย่อมให้สำเร็จบางส่วนแต่ใครทำให้บริบูรณ ก็ยอมให้สำเร็จได้บริบูรณ์ในแง่ของสัมมาสมาธิหรือสมาธิในอุดมคติอย่างสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญในแง่เอื้อให้พร้อมประจักรู้เต็มดวงคือมีกำลังส่งให้ถึงมรรคถึงผลโดยไม่ลำบากต้องเสียเวลารวงกำลังนักเนื่องจากขณะแห่งการบรรลุธรรมจิตจะเป็นฌานเพียงแต่เป็นฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เหมือนฌานธรรมดา ที่อาจมีลมหายใจหรือวัตถุอารมณ์อื่นๆมาเป็นเป้าจับแต่อย่างไรก็ตามหากจิตของผู้ภาวนามีปกติตั้งมั่นมีความผ่องใสสบายมีความโน้มเอียงที่จะตั้งมั่นระดับชานเมื่อได้เหตุปัจจัยประชุมพร้อมก็ควรจะนับเป็นน้องๆสัมมาสมาธิได้เข้าข่ายเป็นผู้สามารถทาพอประมาณในสมาธิตามระดับภูมิของพระโสดาบันตรงข้าม หากฤาษีชีภัยที่ไหนทำสมาธิได้อุกฤษอาจจะเกิดฌานสี่ล่วงถึงอรูปฌานอันเป็นฌานไม่อาศัยรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมแม้ถึงชั้นแห่งความเป็นโสดาบันบุคคลเลยเพราะองค์มรกเพื่อการบรรลุธรรมไม่ประกอบพร้อมเป็นคุณสมบัติของจิตคือขาสมาธิถิและสัมมาสติเป็นสาคัญสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่หก 1. นแน่ใจว่าหกเดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้ปล่อยชีวิตให้ล่วงไปเพื่อความเปล่าประโยชน์ไร้แก่นสารเหมือนอย่างในอดีตตั้งแต่เกิดจนถึงปีกลาย 2. อมองย้อนกลับไปเห็นช่วงปีก่อนๆที่สำคัญว่าปฏิบัติแค่สมาธิกับสติก็บรรลุธรรมได้อย่างหมกมุ่นในกามเท่าเดิมยังเห็นแก่ตัวเท่าเดิมยังอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนเดิม ทั้งหาอุบายลัดๆให้เกิดมาเกิดผลล้วนแล้วแต่เป็นความเลงโลภอย่างประศจากเหตุผลสมควรเยี่ยงปุทุชนผู้ไม่รู้จริงทั้งสิน้นสมีความอุ่นใจบังเกิดความเชื่อมั่นในความพรักพร้อมบนเส้นทางเดียวที่มุ่งตรงสู่นิพพานสายนี้